ตอตอปัญหาาสภาวะขงการบาบนมันสการพระคุณเจ้าสา ม, มนเณรคุณไม่ชีกันไรนนมิตรทุกคนก็ทุกคืนวันเสาร์เมื่อสักู่แก้วทิพก็ยื่นมีคำถามพวกกูก็ดูคร่าวๆก็เป็นคำถามเก่าๆที่นี้ญาติธรรมก็มาใหม่อยู่เรื่อย ถ้าปกูนับหนึ่งทุกวันก็พูดเรื่องเก่าๆแต่ไม่พูดก็ไม่ได้เพราะมันคนใหม่ทีนี้ไอ้ตัวนี้ก็ต้องหาวิธีแก้เพราะระยะยาวทำอย่างนี้คือมีกำลังพรกครูก็ขยันพูดแต่วันไหนที่มันไม่มีกาลังมันจะพูดไม่ได้ก็ต้องคิดว่าต่อไปแก้วต้องรวมเล่มคำถามก็เก่าๆนั่นแหละ เนาะก็รวมเริ่มปัญหาเพราะเพราะไอแนวนี้ที่เราปฏิบัติเรารู้หมดอะมีคำถามอะไรแต่ยี่สิบห้าปีพระครูมาอยู่ที่นี่ <c oughs> <c oughs> มันก็เริ่มจากทุกคนมีสิ่งกั้นบันบางทางเดินของจิตเราเนี่ยไอแนวนี้คือมีสามตัวใหญ่ๆอันดับแรกคือตัวขี้สงสัยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นลัทธิอะไรอะไรหมุนนะ เออตอนแรกก็ไม่รู้พอหมุนปุ๊บสัมผัสพลังอย่างหนึ่งมันหมุนจริงๆเออรู้แล้วอะไรที่เรียกว่าหมุนอรเรียกว่าเวี่ยงทิ้งทีนี้พอเวียงไปเวียงมาก็ไปเจออารมณ์อะไรแปลกๆ<ส><ญ>เห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นสัตว์ตอะไรก็ไม่รู้บางทีเหมือนกายใจจะขาดบางทีเหมือนเจ็บปวดจนทุกข์ทรมานมากก็ ขี palm, Money, ้ตัวที่สองก็ขี้กลัวขี้กลัวกล้ากลวกลัวจิตส่วนหนึ่งก็อยากจะปฏิบัติต่อไปอยากผลทุกข์แต่อีกตัวหนึ่งก็อยากจะไม่ตายเพราะกลัวตายขี้กลัวตัวที่สองบางคนกลัวก็ไม่กลัวหลังจากผ่านแล้วเฮมันไม่เห็นเป็นไรเนี่ยไอ้เจ็บปวดมันก็หายมันเป็นของไม่จริง เราไม่กลัวล่ะทีนี้มานตัวสุดท้ายเนี่ยพระครูบอกเรียกว่าขี้นะคาว่าขี้ภาษาไทยคำว่าขี้เนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งปฏิกูลเป็นสิ่งที่ส่วนเกินที่เราไม่เอาแล้วยี่สิบปีก่อนพระครูขับรถมาในศูนย์เนี่ยพวกเด็กนักเรียนเอยผู้ปกครองเขาเลยเขาก็ติดรถมาด้วยมีเด็กคนหนึ่งมาปฏิบัติเกือบทุกวัน พอไปโรงเรียนครูก็ถามว่าไปศูนย์ทำไมเขาบอกไปล้างขี้ครับทีนี้มนุษย์เรามีขี้สองอย่างขี้รูปกับขี้น้ำขี้เป็นรูปประทับก็คือต้องเริ่มจากข้างบนสูงขี้ลังแคหรือคนอีสานเรียกว่าขี้หัวนะแล้วขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ฟันขี้เล็บนะขี้ไข่ แม้กระทั่งขี้กาขี้เกื้อนขี้พวกนี้เรียกว่าขี้รูปธรรมเราชำระล้างได้ด้วยน้ำสบู่แล้วก็ยารักษาโรคแต่ขี้ซึ่งเป็นนมามธรรมเนี่ยไม่มียารักษาสมมติว่านมามธรรมคือเราเป็นโรคเครียดคุณหมอวิทยาศาสตร์ก็ให้เรากินยาคลายความเครียดโดยคลายแค่กายภาพแล้วก็ไปกดทับระบบประาสาทไม่ให้มันรู้สึก แต่จริงๆแล้วเรื่องอารมณ์นั้นเรื่องนามมธทํานั้นมันไม่มียารักษานะขี้นามนั้นเริ่มจากขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้อิจฉาขี้ลิษยาขี้กลัวและอันสุดท้ายที่ปอกวัมารตัวสุดท้ายที่มันจะหลอกเราคือขี้เกียดผัดวันประกันพรุ่งไม่เป็นไรหรอกเอาไว้เกษียณคอยปฏิบัตินะเออดูหนังก่อน นั่งจบแล้วค่อยปฏิบัติเพราะนั่งจบแล้วก็ง่วงเออนอนก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยปฏิบัติไอ้ตัวสุดท้ายนี้หลายคนแพ้มันนะมนันตัวสุดท้ายนี่คือขี้เกียจก็เราไปเร็วๆดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มีเวลาปฏิบัติกันนะก็คําถามแรกคือเรื่องกลุ่มโรคกนะันเนาะกลุ่มโรคที่วันนั้นพ่อคูคุยญาติธรรมพ่อครูลืมชื่อไว้าเขาเรียกว่า NCD เกิดจากพฤติกรรม เขาถามว่าพฤติกรรมอย่างไรยกตัว อ, อย่างหนึ่งโรคเบาหวานสองโรคโรคก้วนสมโรคความดันสี่โรคมะเร็งห้าหลอดเลือดอุดตันหโรคถุงลมปป่งพองโรคเหล่านี้เขายอ่อเรียกว่า NCD แปลว่าอะไรพรากูไม่รู้ว่าเขายอ่อมาจากไหนนะที่นี่คือภาษาวิทยาศาสตร์เขาบอก โรคกลุ่มโรคนี้เนี่ยเกิดจากพฤติกรรมก็พ่อครูก็มาดูแลก็เออแยกง่ายๆว่าหนึ่งเบาหวานสองโรคว้นอันนี้เกิดจากพฤติกรรมในการกินนะพฤติกรรมในการกินที่เขาบอกว่าเชื้อโรคเข้าทางปากออกทางปากเข้าทางปากยังไงอย่ไหมมันแซ่บไงอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยก็ยัดเข้าไปนะทีนี้พอมัน แน่นท้องหรือบางครั้งนี่ก็อ้วกออกมาทางปากเหมือนเก่านะสมัยก่อนพวกะกูกินเหล้านะมันจะกินเข้าไปทางปากมันก็ออกมาทางปากนะมเมาเต็มที่เนาะและอีกเรื่องอีกเชื้อโรคออกทางปากอย่างหนึ่งสําคัญมากซึ่งอย่างเรากินเหล้ามันก็ออกทางปากเราก็รับกรรมมันเป็นส่วนตัวของเราแต่เราออกทางปากที่เราไปด่าเขาไปอิจฉาเขานะไปกระแนะกระแหน่เขาอันนี้เชื้อโรคออกทางปาก อันนี้คือวจีกรรมอันนี้ออกเสร็จไม่จบนะอย่างเรากินอะไรเกินไปมันก็อ้วกออกมาเนี่ยหรือกินเหล้าไปมันก็อ้วกมาโอเคมันเป็นกรรมเฉพาะตัวที่เราเอาเชื้อโลกเข้าไปคำว่าเชื้อโลกเนี่ยสิ่งใดที่มันเกินไปมันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะนะเรากินยาเสพติดเราสูบบุหรี่เยอะเกินไปอะไรเนี่ยมันก็บางทีมันก็ออกมาทางปากอันนี้ก็เป็นกรรมเฉพาะตัว แต่ถ้าว่าเชื้อโรคออกทางปากคือเราไปด่าเขาไปสร้างวัจจรกมไปพูดให้เขาเครียดแค้นจิตเขาฝังลึกแล้วว่าเขาแค้นเราไอ้โรคตัวนี้เนี่ยตายแล้วไม่จบและที่เราด่าเขาจิตเราก็บันทึกว่าเราด่ามันนะอันนี้กลายเป็นวิบา ก, กรรมนะเผาแล้วก็ไม่จบมันข้ามภพข้ามชาติกลายเป็นพยาบาท นี่เชื้อโรคเข้าทางปากส่วนโรคอ้วนกับเบาหวานเนี่ยก็คือเราไม่ระวังเรื่องการบริโภคโดยเฉพาะคนตะวันตกพวกครูเคยอยู่อเมริกานะไอสแน็คตอนนี้เข้ามาเมืองไทยแล้วตอนนี้เด็กไทยกำลังอ้อนวนเพราะกินกินกินกินกินกินทั้งวันเลยไอพวกสแน็คพวกอาหารไอพวกขนมที่ก๊อปแกลบอะไรนี่นะ ไอ้ตัวนั้นอ่ะมันมันมันไม่ได้มีสารอาหารมากมายมันมีแป้งแต่ว่าในขั้เดียวกันมันทําให้กระเพาะนี่ทํางานตลอดเวลาย่อยตลอดเวลาขบวนการย่อยสลายอาหารเอาของดีมาใช้ของเสียกลับทิ้งตามธรรมชาติเนี่ยมันลวนมันเลยกลายเป็นโรคอ้วนนะแล้วก็พฤติกรรมที่ชอบกินของหวานสองอย่างนี้ในอดีตพ่อครูมีหมดนะ แล้วก็แยกเป็นข้อที่สามโรคความดันโรคมะเร็งแล้วก็ข้อห้าหลอดเลือดอุดตันอันนี้พฤติกรรมตรงนี้เกิดจากเราเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่นะคิดแล้วเพราะกัวความเครียดคิดกังวลคิดห่วงใยคิดสงสัยคิดลังเลมันก็ว้าวุ่นอะไรมันก็สับสมไปหมดเลยมันก็สะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวความเครียดนี้มันไปทาลายระบบ เขาเรียกว่าอิมมูนซิสเต็มภูมิคุ้มกันโรคโดยธรรมชาติทำลายความสมดุลความเป็นปกติของมันเหมือนรถยนต์เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ไปเช็คไส่กองอากาศไส่กองน้ำมันบ่อยๆถ้ามันเปื้อนมันสำลักการฉูดฉีดน้ำมันมันสำลักแหวนลูกสูบพังหมดโลกนี้ก็อยู่พฤติกรรมที่เราคิดแบบไม่บรญยญับัญญัตแล้วก็ทางานแบบไม่บรญญับัญญัตนะเพื่ออนาคตแล้ว ข้ายอมตายทำจนไม่กินไม่นอนบางคนจนลืมหายใจนะคือเพราะเรามุ่งมั่นถ้าในทางโลกถือว่า เ, าเป็นเป็นคนรับผิดชอบเป็นคนดีแต่ในทางธรรมชาติแล้วเนี่ยเราทำร้ายตัวเองเรารักอนาคตมากกว่าตัวเองเอาตัวเองเนี่ยไปทนทุกข์ทรมานไปทรมานตัวเองเนี่ยเพื่อสร้างอนาคตโลกนี้จึงกำเริบ เพื <N ic id> ่อนพ่อครูเป็นมะเร็งตายหลายคนตอนนี้ความดันพ่อครูก็มีบ้างถ้าไม่มีกรรมฐานนี่มันก็คงขึ้นสูงมากเลยประหลอดคนขึ้นสูงมากเลยนะนะพ่อครกูก็ในสามอย่างนี้ความคิดทาไม่เครียดพ่อครกูก็มีมีทั้งหมดเลยโ <N ic id> ดยได้รางวัลชีวิตคือเป็นไมเกรนเป็นโรค ก, กับเพียดลงกระเพาะบุญเก่าทั้งนั้นแหละที่ทำให้พูพ่อครูลอดมาถึงวันนี้ นะอันนี้เน้นเรื่องนี้นะบุญมีจริงถ้าบุญเก่าไม่มีจริงเนี่ยคนอย่างพวกครูเนี่ยไอ้โลกที่เขาว่าทั้งหมดนี่มีหมดเลยเพราะพฤติกรรมเนี่ยอยู่ในข่ายพวกนี้หมดนะทีนี้มะเร็งทําไมมันเป็นมันเกี่ยวอะไรกับโรคเครียดเมื่อเราเครียดแล้วเนี่ภูมิคุ้มกันโลกธรรมชาติถ้าแม้เรากินข้าวนะหมอบัญชาบอกว่าเราเคี้ยวข้าวเนี่ยน้ําลายมันก็ย่อยก่อนมันย่อยแป้งเมื่อเราเกืนปุ๊บ ลำไส้มันก็ย่อยๆกระเพาะมันก็ย่อยมันก็เอาของดีมาใช้ของเสียขับทิ้งทีนี้เมื่อเราเครียดแล้วขั้นตนการทํางานตรงนี้เนี่ยมันไม่เต็มร้อยทีนี้บวกกับสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นพิษทั้งทางอากาศทางอาหารเนี่ยนะเราเสพเข้าไปเยอะขั้นตนการที่ย่อยพวกนี้เนี่ยแยกของดีของเสียเนี่ยมันทํางานไม่เต็มร้อยเขาเรียกว่าสารตกค้างมันก็ตกค้างในร่างกายเรานะ ภูมิคุ้มกันเราอ่อนแอนั่นแหละเกิดมะเร็งนะอันนี้พ่อครูพูดเมื่อยี่ห้าปีก่อนระเบิดแล้วพ่อครูเห็นเหล่านี้แต่วงการแพทย์เนี่ยเขาด่าพ่อครูว่าพ่อครูเป็นบ้าแต่ตอนนี้เขาเริ่มยอมรับกันแล้วนะทีนี้อันตัวสุดท้ายโรคถุงลมป่งพองพ่อครูก็มีสูบบุหรี่มาจากพฤติกรรมที่เราสูบบุหรี่อันนี้ก็เหมือนกัน เชื้อโลกเข้าทางปากออกทางปากน่นแหละก็คือบังเอิญพ่อครูสู่บุรีจัดสามสองสี่สองแต่พ่อครูไม่เคยซื้ลงไปลึกๆเลยปุ๊บเป่าปุ๊บป่ามันกลายเป็นพฤติกรรมที่เราเคยจินนะก็แค่นั้นก็เกิดอาการนะมันไอบ่อยๆแล้วก็มือนี่เหลืองหมดเลยแล้วรู้สึกเหนื่อยวนะเหนื่อยวหยพอเราเบิดวันนั้นทีน่เราเบิดปึง้งมันหยุดเลย ตอนนั้นสมองรู้แต่จิตไม่รู้ทุกคนรู้ว่าสูบบุหรี่ไม่ดีคุณหมอเคยมาที่นี่ปฏิบัติเสร็จแล้ววิ่งไปในป่านั่นก็ไปยืนสูบบุหรี่พวกคไปถามคุณหมอคุณหมอสอนคนไข้สูบบุหรี่ไม่ไหม้แล้วคุณหมอสูบทำไมเห็นหคุณหมอเรียนเรื่องวิชาเนี่ยรู้เรื่องสุขภาพมากที่สุดคุณหมอรู้แต่สมองรู้แต่จิตไม่รู้จิตมันสู้ความอยากไม่ได้ นะอย่าว่าถ้าพวกครูไม่เรียนวิชาหมอนะเราเป็นนักสังคมเราก็ช่วยปรยู่สังคมสมัยก่อนเพื่อนมาไม่เขาก็ผูกพ่อครูก่อนยื่นบุหรี่ให้จุดไฟแช็กให้ด้วยนี่คือความรักกันเทเล่าชนแก้วกลัวเพื่อนมันตายชา <c oughs> ในอดีตเราเป็นแบบนั้นพฤติกรรมที่เขาว่าเ น, นี่ยนี่พ่อครูมีหมดเลย ถ้าไม่ใช่บุญเก่าแล้วนี่ไม่ได้มารอดมานั่งอยู่ที่นี่เพราะทำอะไรแรงๆแรงมากนะเวลาไปเที่ยวดึกๆึกกลางคืนเนี่ยลูกน้องขับรถขากลับพ่อครูขับพนั้นแหละมันเมาก่อนนะเราใช้ชีวิตเราแบบสุรุอยสุร่ายเราหาเงินหาเงินเราคิดว่ารวยแล้วจะมีความสุขความสุขเราเข้าใจว่ามีเงินซื้อความสะดวกสบายความสนุกสนานความเพลิดเพลินนั่นคือความสุข เทชีวิตให้กับตัวนั้นเลยนะสุดท้ายเราก็ไม่เจอความสุขที่แท้จริงนะเอาเป็นว่าพ่อคูสรุปว่าไอ้โรคพวกนี้เนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมนะพฤติกรรมกรรมเห็นไหมพฤติกรรมเรามีกรรมเป็นทายาทเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธ์สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะแต่ที่นี้กรรมเนี่ยมันไม่ได้สุดสมเด็จว่าชาตินี้เราทําเท่ากันแล้วเรารับผลกรรมเหมือนกัน มันต้องบวกกรรมเก่าด้วยกรรมเก่าบวกกรรมปัจจุบันคือผลบุญเหมือนกันบุญเก่าบวกบุญปัจจุบันคือผลเพราะคูก็มีบุญเก่าเยอะแน่นอนบอใช่สิเพราะคูมีบุญเก่าเยอะก็ถูกแล้วถ้ามันไม่มีละมันกม็มันก็หลุดออกจากวงจร น, นั้นไม่ได้นะบุญเก่าบุญใหม่ ชาตินี้เนื่องจากเราใจใหญ่ใจกว้างขอมาให้เลยขอมาให้เลยอันนั้นคือทานโดยเราไม่รู้ตัวมันเป็นนิสัยเราตั้งแต่เด็กนะไอ้ตัวนั้นคำยันไว้แต่ศีลห้าบอกไม่ให้ทำอะไรทาหมดเลยนะบอกไม่ให้ทำเราทาหมดเราไม่มีศีลแบบนั้นแต่เรามีบุญเก่าที่ทำให้เราเนี่ยมีอุปนิสัยที่ว่า มันไม่ใช่เมตตาหรอกเนาะมนันเป็นนิสัยนักเลงน่ะก็คือว่ากล้าขอก็กล้าให้ไม่เยกลายเป็นทานโดยเราไม่รู้ตัวไงเมื่อเราทานไม่รู้ไม่ไมรู้ตัวเขามาเบียดเบียนเราบ้างเออช่างหัวมันเถอะเพราะว่าให้ตั้งเยอะแยะแล้วยังให้ไอิเสียนที่ต่อยเป็นอะไรไอ้ตัวนี้คํายันเราแล้วก็ไอ้สามชั่วโมงสุดท้ายที่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยนั่งสมาธินั่นแหะคือบุญมหาศาลเลยบวกกับบุญเก่ามันต่อ ย, ยอดมันก็เลยระเบิด พยายามชี้ตรงนี้เห็นว่าบุญมีจริงนะบางคนบอกใช่สิพราะคูมีบุญก็ใช่สิเมื่อเรามีบุญน้อยเราก็รีบทำสิใช่ไหมละ่ะก็รู้แล้วมันมันมั น, มนตัวเองน้อยก็รีบรีบทำมากกว่าคนอื่นไงฝนตกลงมาเนี่ยโอ้ยอยากกินน้ำฝนจังเลยไม่ยอมไปลองรับน้ฝนว่าจะมีน้าฝนกินหรือเปล่ามีแต่พูดมีแต่นึกนะนบิปัสนึกนะไม่ดีนะ ต้องต้องกระทําจริงๆนะอันนี้ก็เรื่องข้อแรกนะกิริยาที่แสดงออกตอนปฏิบัติเกิดจากอุปทานของจิตหรือไม่เหมือนคนเขา้าทรงคําถามนี่คําถามยอดฮิต <soaked aún> ใครก็มาก็ถามเลยเอ๊ะทรงหรือเปล่าเข้าทรงหรือเปล่าสะกัดจิตไหมพวกครูบอกยังไม่รีบไหว้เขาอีกบางทีเขามองหน้าพวกคุณนะทําทไมไหว้ทรง เวลาภูเก็ตเขาจัดทรงอะไรบินไปภูเท็ตไปไหว้ทรงที่นี้ไอ้ทรงหรือเปล่ายังไม่รีบไหว้อีกอันนั้นทรงคือว่าเข้าทรงนะเขาถูกครอบงำโดยพลังข้างนอกนะจิตมันเป็นโน้มรับอารมณ์นั้นเข้ามานะหลายปีก่อนพ่อครูเคยไปสอนเด็กวิทยาลัยอ e ีเทคที่ชนบุรีนะมันสลักอนุมานกันเต็มตัวเลย พอคนหนึ่งขึ้นนี่ขึ้นไปทั้งห้องเลยอันุมานเต็มไปห้องเลยอันนั้นอันนั้นอุปทานหมู่อันนั้นอุปทานหมู่อันนั้นก็ไม่ใช่เข้าทรงด้วยนะอันนั้นเป็นอุปทานที่เขาเขาไปสลักเขาไปสักแล้วก็จิตมันน้อมรับว่ามันมีตรงนั้นอันนั้นคือคิดเอาเองมันก็ขึ้นเอาเองแล้วก็เห็นเพื่อนขึ้นก็ขึ้นกันเต็มไปเลยแต่เขาหารู้ไม่นะ เขถูกพกครูหลอกเบี่ยงเน่ยมันเบี่ยงอุปทานนั้นทิ้งหมดเลยลิงตายหมดอืใช่ไงเพราะมันเกิดแรงเบี่ยงแล้วนี่มันล้างมันล้างอุปทา น, นอะไรหมดเลยอะไรที่มันไม่ใช่ของดีหรือว่าส่วนเกินของร่างกายมัน อ, ออกหมดเบี่ยงไปจนไอพลังที่มันเป็นลิงมันแฟบหมดเลยนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเนี่ย เอาไม่อยู่นะมันอารวาดมันอะไรมันเหมือนลิงเลยล่ะนะทีนี้เราต้องรู้ว่าเอ๊ะเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรส่วนไอ้เข้าทรงนั้นอ่ะยังเคยมีมุกดาหารมีคนหนึ่งเขาเป็นคนทรงเป็นผู้หญิงนะเนื่องจากว่าคนทรงเก่าไปดูดวงเขาว่าเขาต้องเป็นคนทรงเขาก็ภาวนาตัวเป็นคนทรงมีบุญงานบุญงานอะไระระดับจังหวัดอะไรเนี่ยเขาต้องเข้าทรงไม่งั้นเขาจะบาป พอเขามาเหวี่ยงอะไรปุ๊บเนี่ยเขาจะเหวี่ยงทรงออกทีนี้ลึกๆเขากลัวมากเขาสั่นเลยเพราะว่าเขาเคยภาวนาตัวไว้ไงแล้วสุดท้ายเขาก็แพ้เขาก็สู้กำลังนั้นไม่ได้นะแล้วก็เขาต้องไปเป็นคนทรงเขาจัดงานทุกปีนะทีนี้เขาเป็นผู้หญิงอ่ะทีนี้ไอ้ทรงที่เขาเข้านั้นมันกินเหล้ากินทีนึงเป็นไหาหายเลยนะตอนนั้นอ่ะกินมันไม่รู้เมาหรอกแต่ร่างกายมันโทรมเลยเพราะเราไม่เคยกินไง อันนั้นคือเราขาดสติเราถูกครอบงําโดยพลังอื่นเราไม่ได้ประโยชน์เลยในการเจริญสติหรือเจริญมรรคจิตเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอันนั้นเรียกว่าเข้าทรงอย่างเข้าทรงภูเก็ตแทงลิ้นบ้างแทงอะไรบ้างอันนี้ปลอมเก้าสเกซไม่ใช่ทรงจริงๆด้วย แล้วเขามีคนหนึ่งเขามาแฉมาเขาเป็นทรงดังมากหลายปีเขาก็แฉว่า ม, มันเป็นการฝึกแล้วบางแห่งเราแทงอะไรอะไรเห็นไหมอย่างคุณหมอเอสเนี่ยไปเอาฝังเข็มอะไรเราทําไมไม่เจ็บนะมันเป็นการแสดงนะแล้วก็กินเล่าไปมาด้วยนั่นแต่มันเป็นประเพณีอย่างหนึ่งก็เป็นประเพณีอย่างหนึ่งก็ดําเนินไปนะอันนั้นเรียกว่าเข้าทรงแต่สิ่งที่มันเกิดที่เราปฏิบัติต ร, ตรงนี้เนี่ย กิริยาที่แสดงออกไม่ใช่การเข้าทรงนะการเข้าทรงเป็นพลังข้างนอกมาครอบงำเราแต่ของเราที่ทำอยู่เนี่ยเรียกว่า inside out ทีนี้พว ก, กูไปเปิดดิกช i น n า r ีอยู่เนี่ยมันตรงกับภาษาอังกฤษคำหนึ่งนะภาษาอังกฤษคำหนึ่งคือ auto ไม่ใช่อัตโนมัติน่ะออโตทิซึมออโตเมทิซึมนะเขาแปลว่าอย่างนี้เป็นภาวะอัตโนมัติกระบวนการที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้บังคับทฤษฎีที่ว่าร่างกายเป็นเครื่องจักรที่มีหน้าที่ดำเนินไปพร้อมกับสติสัมปชัญญะ การทํางานโดยอัตโนมัติของอวัยวะและเซลล์เช่นการเต้นของหัวใจเห็นไหมหัวใจเราสั่งมันเต้นไหมมันเป็นอัตโนมัติเวลาเราเข้าไปในจิตปุ๊บอารมณ์ในจิตนั่นเรียกว่าธรรมในธรรมธรรมอมณ์นั้นน่ะมันเป็นอุปทานในอดีตที่เราบันทึกสัญญาไว้กิเลสในอดีตเนี่ยกิเลสทาให้เกิดตัณหาตัณหาทําให้เกิดอุปทาน อุปทานถ้าเราไปหลงมันปึ๊บเนี่ยถ้าเราได้ดั่งใจมันก็อุปทานว่าดีใจถ้าไม่ได้ดั่งใจมันก็เกิดทุกข์มันเป็นอุปทานเก่าเรากาลังล้างอุปทานโดยนั้นอยู่อันนี้เรียกว่าอินไซต์เอาอารมณ์ข้างในมันสั่งเราข้างนอกแต่มันเป็นไปตามอัตโนมัติไม่ได้ถูกควบคุมโดยสมองเรามันก็กลายเป็นว่าออโตเมติกซึมพ้นนี้น่ะมันกลายเป็นเหมือนเราหัวใจมันเต้นนี่แหละมันออโตเมติก เราไม่ได้สั่งให้มันเต้นนะการแสดงออกตามความรู้สึกหรืออารมณ์มันเป็นธรรมบลมซึ่งอยู่ในจิตใต้สำนึกเรานะเมื่อดำเนินไปเรื่อยๆก็เกิดความชนานาญเป็นปัจจุบันอย่างป้ะแขเนี่ยตอนที่แก่เจ็บใค้ได้ป่วยเนี่ยนะไปหาหมอไปหาหมอความดันมันขึ้นปี๊ดเลยนะก็พาไปหาหมอไปทุ้งหมอหมอเอายาอะไรแรงที่สุดเลยเพื่อลดความดันลดไม่ลง ลดยังไงก็ไม่ล้มเอาไม่อยู่นะก็กลับมาพอพระแขกเวียนเวียนเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยจิตมันเข้าไปรีวายไปสูบภาคที่แกเคยเล่นโยคะมาแล้วเคยเป็นโยคีเขาก็สั่งให้ร่างกายนี้ทําโยคะโดยที่สมองแกตรงนี้แกไม่เคยฝึกเลยไงสองสามวันแรกพระแขกนี่ระบมไปหมดร่างกายมันไม่คุ้นเคยแต่ปัจจุบันนี้พระแข ทำโยคะเมื่อไหร่ก็ได้มันกลายเป็นปกติของปัจจุบันเมื่อจิตเดิมเราสอนเขาสอนให้จิตปัจจุบันแล้วสั่งร่างกายทํำเรื่อยๆทันเวลามันก็ชํานาญนะเหมือนตอนนี้หลายท่านนะหลังจากเบี่ยงไปเวียงมาเขาขึ้นมายืนหมุนเซไปเซมาบ้างทําไปทํามาก็หมุนติ้วๆเลยตอนนี้หมุนเมื่อไหร่ก็ได้มันกลายเป็นวิชาปัจจุบันแล้วนะอันนี้เป็นตามอัตโนมัติ เป็นปัญญาของจิตเดิมที่เราเคยฝึกมาแล้วประสบการณ์เราแล้วเนี่ยเขามาคําว่ามหาสติปฐานของพุทธเจ้าเนี่ยเราไปฝึกเราไปฝึกอนุสตินเนาะขวานเนอย่างเน อ, นอพุโทโธอะไรก็ช่างหรือว่ากําหนดอะไรก็ช่างไปเพ่งดูเนี่ยมันเป็นอนุสติเป็นสติเล็กๆแม้กระทั่งอานาปนสติเป็นหนึ่งในอนุสติสิบเป็นสติเล็กๆนะเพื่อให้เรามีสติมาดํารงชีวิต สติสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมเดินไม่มีสติมันก็ขัดขาตัวเองลมอันนี้คืออนุสติส่วนมหาสตินี่คือสติใหญ่เนี่ยเราสามารถระลึกรู้อดีตบรารมีได้เราสามารถจำรู้พระเจ้าก็ใช้มหาสติระลึกชาตินะสมัยเป็นพระเวสสันดรเป็นอะไรก็แล้วแต่นั่นแหะก็ไปเอาบรารมีเก่าที่เราฝึกมาหลายภบหลายชาติเนี่ยมาต่อยอดให้จิตปัจจุบัน ที่เป็นกาลันแสดงออกนี่หลายคนทำได้แล้วก็รู้เลยว่าเฮ้ยเราไม่ได้สั่งมันแล้วถึงเราจะสั่งมันเราก็ไม่รู้ว่าจะสั่งยังไงเราก็เต้นไม่เป็นไงอันนี้มันเข้าไปสูมเป็นอัตโนมัตินะซึ่งซึ่งซึ่งภาษาอังกฤษตรงนี้เนี่ยเขาก็แปลมาอย่างนี้ชัดเจนเพราะกูบอกใช่ละนะมันมันมันมันมันไม่มันมันไม่ได้ควบคุมโดยสมองหรือไอ้ไอ้ปัจจุบันนะมันเกิดขึ้นเอง ทีนี้จิตปัจจุบันก็เรียนรู้กับมันนะเรียนรู้กับมันนะร่างกายปัจจุบันก็ ก, ก็ก็ทาไปฝึกไปฝึกไปผู้ไปก็ชนานาญกลายเป็นวิชาปัจจุบันของเราสรุปว่ามันไม่ใช่เรื่องเข้าทรงอยากให้พวกครูอธิบายคำว่ากระตันอยู่กะัตะเวทิตาจิตความหมายจริงๆคืออะไรทำไมต้องกระตันอยู่ แล้อีกก็ถามคําถามเดียวกันนะฮิลิโอตปะแปลว่าอะไรจริงๆแล้วอันนี้เป็นคําภาษ า, ง, าง่ายๆที่เราใช้บ่อยๆลูกต้องกตัญญูรู้คุณนะต้องมีฮิลินะบางทีมันเข้าใจมันไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้แล้วพอถึงเวลาแล้วนี่กตัญญูไม่เป็นนะทีนี้พอเมื่อถามเป็นสัพท์ เป็นสับกตัญญูก็มีในวิชาการเขาก็เขียนชัดเจนเป็นแต่ว่าเราเข้าใจไม่เข้าจิตนะสมองรู้แต่จิตไม่รู้เขาก็เขียนว่ากตัญญูแปลว่าผู้รู้สึกถึงบุญคุณที่เขาทำแก่ตนคือผู้ระลึกรู้ว่าใครเคยทำดีเคยช่วยเหลือเกื้อกูลตนมาก็อยอมรับและไม่ลืมบุญคุณของผู้นั้น รวมถึงรวมถึงรู้สึกถึงบุญคุณของสัตว์บุญคุณของที่อยู่อาศัยบุญคุณของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้ตนได้รับความสะดวกสบายอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาอันนี้ชัดเจนนะวินาทีที่พ่อครูเกิดอาการระเบิดแล้วเนี่ย เหมือนเราไม่ต้องตัดสินใจเลยนะเรารู้ว่าชีวิตนี่มันร้อนไฟกาลังไหม้บ้านฉันจะออกจากที่นี่ออกไปไหนพราะครูเลือกแผ่นดินเกิดเราเกิดที่นี่ที่อุบลที่ประเทศไทยและที่ผ่านมาหลายปีทาไมไม่คิดถึงเรื่องนี้เพราะมัวแต่หาเงินไงความอยากทำให้เราลืมเรื่องกระตันอยู่ไอ้ที่ช่วยฉันมาก็ผ่านไปล้วก็ช่วยช่วย แต่พอทำลายความอยากแล้วไอ้ตัวนี้มันผุดขึ้นมาเราจิตซึ่งมีความกระตันญูรู้คุณเนี่ยเขาไม่ต้องการเป็นหนี้ใครอีกแล้วเขาต้องการกลับบ้านเก่าเขาด้วยตัวเปล่าโดยเฉพาะแผ่นดินที่อยู่เขาเรียกว่าสนองคุณแผ่นดินเกิดเพราะครูเลือกเลยเพราะเจ็ดแปดปีที่เราไปอยู่อเมริกาเนี่ยลึกสึกลึกๆมันเป็นชาตินิยมอะเหมือนเราไปอาศัยประเทศเขาอยู่เออเขาก็บอกสิทธิเสรีภาพ เ, าเท่าเดยวกันแต่ลึกๆมันไม่ใช่ มันแบ่งแบ่งชนผิวอะไรอยู่นะเรารู้สึกไม่พอใจสิ่งนั้นเมื่อระเบิดปุ๊บไม่ลังเลเลยพราคกูเลือกบ้านเกิดทำไมไม่ตอนนั้นน้องสาพ่อคูอยู่สวิตเซอร์แลนด์อยู่นะพรอ ก, กูไปอยู่ประเทศไหนก็ได้เสพสุขตลอดชีวิตไม่มันเลือกเกิดนั่นคืออารมณ์ความกระตันญยูมันผุดขึ้นนะแต่คนเราทุกวันนี้ไม่ช่วยไปถึง9้าครั้งแต่ครั้งที่10บช่วยไม่ได้มันลืมหมดเลย เพราะมันสู้ความอยากมันไม่ได้ความอยากเนี่ยมันครอบงําปกติแล้วจิตปกติจิตที่ไม่ต้องไปโรงเรียนเลยนะมันจะเป็นจิตที่มีกระตันเราเลี้ยงหมาหมายังกระตันอยู่กับเราเลยแต่คนทุกวันนี้เนื่องจากความอยากปุ๊บอุณหภูมิของความอยากอารมณ์นั้นมันครอบงําความรู้สึกกระตันอยู่มันเป็นธรรมชาตินะมันเป็นสัญชาตญาณเมื่อเขาดีกับเราเราก็ดีกับเขาแล้วก็นับถือเขาไง แล้วก็ต้องพูดสิ่งดีๆแล้วไม่ว่าต่อหน้ารับหลังนะอันนี้พอมั น, มนกับพ่อแม่ด้วยบางทีก็ฆ่าพ่อแม่เพื่อจะเอาทรัพย์สินครูบาอาจารย์บางทีตัวเองกําลังจะฆ่าตัวตายพอปฏิบัติธรรมเป็นโรคภัยไข้เจ็บพอมันหายแล้วเกิดมีปัญญาหน่อยหนึ่งเนี่ยกูทิ้งครูบาอาจารย์เลยแล้วไปพูดรับหลังด่าครูบาอาจารย์ด้วยอันนี้เรียกว่าอั ก, กตันอยู่ตัวเองไม่อักตันอยู่ไม่สนองคุณก็ไม่พอนะก็ ทำลายอีกเพราะว่าเราสู้ความอยากไม่ได้นะอันนั้นก็ตัดกัตันอยู่นะอันนี้คือกะตะเวทีแปลว่าผู้ประกาศบุญคุณของผู้มีอุปการะแก่ตนด้วยการทำอุปการะตอบแทนคือผู้ประกาศยกย่องผู้ทำอุปการะแก่ตนต่อสาธารณชนไม่ปกปิดคุณความดีของผู้นั้นแม้เขาจะเป็นคน ต้อยต่ำรวมหมายถึงผู้สนองคุณของผู้มีบุญคุณต่อตนเช่นเลี้ยงดูตอบแทนเชื่อฟังคำสอนดูแลรักษาไม่ทำลายเป็นต้นด้วยความสำนึกในบุญคุณแต่ไอสิ่งนี้เนี่ยในสังคมทุกวันนี้เนี่ยมันเกือบหายไปหมดแล้วเพราะเรามีผลประโยชน์เป็นใหญ่อันนี้ เราหลอกคนอื่นได้แต่เราหลอกจิตเราไม่ได้ถ้าไม่มีกตัญญูตัวนี้เป็นพื้นฐานเนี่ยมันไม่มีกำลังอย่าว่าจะจะพ้นทุกข์เลยเนี่ยมันไม่มีทางนะเพราะเธอเป็นคนอย่าง น, น้อยเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่รู้บุญคุณคนอันนี้คนไม่อื่นไม่รู้จิตเราลูนะแต่ตอนนี้ยุคนี้พ่อกูเห็นเรามันแรงความอยากของคนมันแรงแรงจนมันสามารถฆ่าคนที่ให้ชีวิตเรามาได้เพื่อต้องการทรัพย์สินนะ แม้กระทั่งครูบาอาจารย์ที่เขาประศาสวิชาให้เราบางทีเราลืมแล้วแค่คลิกเดียวกว่าแล้วจะหลงทางตกเหวคลิกเดียวเราตื่นขึ้นมาก็เดินทางถูกต้องนะพอเดินไปเดินมาชักเหลืงชักหลงนะจนลืมบุญคุณที่เขาชี้ทางให้เราตอนนี้พอกูเห็นขึ้นตอนนั้นมันแรงนะแล้วก็ กตัญญูกตเวทีเนี่ยจัดเป็นบุคคลที่หาได้ยากเพราะคนทั่วไปมักลืมบุญคุณคนอื่นง่ายๆถ้าคนเราให้กับคนที่เขามีบุญคุณเรากับไม่ได้เนี่ยเราจะให้ใครได้เหรอคำว่าทานก็ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมยี่ห้าปีไม่ด้วยหรอกบางคนบอกเอาล้พระครูหาเรื่องแล้วหาเรื่องแล้วปุ๊กเมื่อวานนี้เขาไม่สบายไม่ได้ออกมาศาลาแค่ครึ่งวัน ออกมาปุ๊บหลังสาลาโล่งไปหมดเลยเพ่อครูทำอะไรอีกล่ะคนที่เขามีสำนึกน่นทุกๆวินาทีเขามองแต่ว่าเขามองแต่ว่าจะทำให้คนอื่นอย่างไรทุกอย่างที่เ็ามองเห็นเขามองแต่ว่าทำประโยชน์ได้อย่างไรแต่คนที่ให้ไม่ได้มันก็จ้องที่จะจับผิดคนอื่นนะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งศูนย์นี่มีหลายซุ้มนะ นะแต่ไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะซุ้มนี่เป็นคนดีหมดดีมากดีน้อยเท่านั้นเองนะดีมากดีน้อยถ้าไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ได้มาอยู่ที่นี่แต่ยังอยากให้ดีมากกว่านั้นนะนะบางซุ้มเนี่ยเขาเรียกว่าซุ้มอะไรซุ้มหน้าซุ้มหน้าพัดลมร้อนกูก็เปิดไม่ร้อนกูก็เปิดนะอันนี้ติดสุกนะเราไม่กล้าฝืนกินเลสตัวเองเลยนะ ถ้าวันใดไฟดับฉันก็ทุกข์ละมีโอกาสก็ฝึกอันนี้เขาเรียกว่าซุ้มหน้าพัดลมมีหลายซุ้มอีกเดี๋ยววันหลังจะเชิญขึ้นมาข้างบนนี้ออกหน้าหนึ่งมาบอกพระครูว่ารู้สึกยังไงวันนั้นไม่ชีเมเนี่ยเขาเป่งออกมาว่าเรายอมเสียเหนื่อเพื่อมรกคาดีกว่าเสียน้ำตาเพื่อสนองตัญหา เรามาเต้นให้เหงื่อมันออกอันนี้เราเต้นเรากลั ว, วเหงื่อออกเราพัดลมช่วยมันก็ได้พลังนิดหนึ่งแทนที่จะได้พลังเยอะๆนะแต่เราติดสุขอันนี้พิจารณาตัวเองนะไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดมันเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องฝืนกิเลสเราหน่อยหนึ่งอย่าให้กิเลสมันอ้างนูน่นอ้างนี่นะไอการที่มาเต้นเหงื่ออ อ, อกเนี่ไม่ใช่เครียดมีความสุขมาก คนที่เครียดนั่นแหละถ้าไม่มีพัดลมแล้วเครียดมากเลยเพราะมันสู้ความร้อนไม่ได้นั่นคือคนเครียดอันนี้เขาเรียกว่าพรอครูตั้งว่าซุ้มหน้าพัดลมทีนี้ฮิริโอตปะเนี่ยนะเอาหิริก่อนแปลว่าความละอายแก่ใจความละอายต่อบาป หลายปีมามีบางคนในบางทีเขาเขาหลงกับสภาวะธรรมเขาอยู่นะเขาหลงกับความโลภของเขาอยู่นะกิเลสมันก็อ้างว่าพ่อครูฉันก็ไม่กลัวพ่อครูเคยบอกแล้วต้องมากลัวพ่อครูทำไมพ่อครูไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่มารไม่ใช่ยงพบาลทั้งหน่อยสิ่งที่พวกเราต้องกลัวคือกลัวต่อบาป ต้องละอายเกรงกลัวตอบบาปที่เราทำโดยเฉพาะไม่รู้จักกระตันอยู่รู้คุนคนนะพ่อคูไม่มีอะไรต้องกลัวนะพาะคูไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่มารไม่ใช่ยงปะบาล น, นะพากครูลงโทษใครไม่เป็นเพราะพ่อคูไม่ต้องขอโทษใครด้วยไม่มีใครถูกใครผิดมีหน้าที่เตือนสติอุตสาเดินทางมาที่นี่แล้วเนี่ยไปรออะไรอยู่เหรอไหมหลงป่าเนี่ย อ้างโน่นอ้างนี้นะไปนั่งกินลมให้มันยิมเย็นๆให้เสือมันมากินเราเหรอรอไฟไฟไม่ป่ามันไหมเราตายเหรอนะพราะครูมีหน้าที่เตือนสติแต่ทีนี้พอใครกิเลสเยอะๆแล้วเนี่ยไม่ฟังไม่พอนะต้านด้วยบอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะครูไม่กลัวบางทีจะฆ่าพ่อครูด้วยบางคนนะเพราะมันสู้ความอยากไม่ได้ไงนะ เพราะคูกลัวตายเพราะคูไม่ได้มาอยู่ในป่านี้นะมาอยู่ตั้งแต่สมัยไม่อยู่ไฟฟ้านนดงคอมมิวนิสตนะ์นะนะแต่แค่คิดเฉยๆมันก็บาปกรรมแล้วนะพวกคูเอาอะไรกับเราบ้างพวกครูมีแต่ให้ส่วนเราจะรู้จักรับมันแค่ไหนก็เป็นเรื่องนาน า, นาจิตตังนะทีนี้ฮิริเป็นทำรักษาคุ้มของโลกทำให้โลกเกิดสันติ ทำให้คนเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะคนที่มีหฮริจะเกลียดความชั่วและละละอายที่จะทำความชั่วทั้งต่อหน้าและรับหลังทำให้ไม่ก่อกความเดือดร้อนให้แก่โลกคือแผ่นดินและสับปะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคนเราต้องมีกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินเกิดไม่ว่าต่อหน้ารับหลังเนี่ย พวกครูนี่กว่าจะแต่ละครั้งจะเบียดเบียนต้นไม้ที่ครั้งหนึ่งพวกครูก็ไปยืนบอกขอเขานะลูกกฐินวดาทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางทั้หลายนะขอใช้พื้นที่นี่เพื่อมาสร้างคนไม่ได้เอามาเสพสุขไม่ได้เอามาหาเงินนะก็ขอร้องให้เขาเนี่ยขยับขยายไปที่พานักใหม่ต้นไม้แถาต้องใยอย่ใหญพวกครูสร้างมาทั้งหมดแหละ แต่ถ้าจําเป็นนี่จะไปเบียดเบียนหน่อยห น, นึ่งเนี่ยนะพครูต้องไปบอกเขาบอกนักคำไปจุดทูบขอเจ้าที่ด้วยเราทําด้วยสํานึกแต่เราไม่ได้ทําเพื่อความมั่งคั่งกอบโกยเราทําเพื่อพระครูเห็นนะพ่อครูสงสารนะนี่ขนาดไม่ใช่วันงานอะไรเนี่ยนะและแนวเราเนี่ยมันมันเป็นแนวพิสดารมันต้องใช้พื้นที่ยังไง พอคนเยอะๆก็นั่งบี่ตัวเองนั้นนะมันไม่ได้ปลดปล่อยเต็มที่นะพกก่อครูเลยบอกแก้วพ่อครูจะขยายล้วนะพ่อครูก็เลยไปขอเจ้าที่เจ้าทางเขานะถ้าคนมีสํานึกแล้วเขาจะมองอะไรมีแต่มองเรื่องเออยังไงจะทําประโยชน์ให้มนุษย์เยชาติไม่ใช่ไปมองเพื่อจะจับผิดเขามองเพื่อจะเอาของเขาคนที่ให้ไม่ได้เดี๋วพูดกี่ปีกี่ปีก็เหมือนเก่านะไม่เห็นเลยว่าพ่อครูทําอะไรยี่บห้าปีนะ ถ้าพรอครูยังต้องการผลประโยชน์อะไรแม้แต่น้อยเนี่ยพรอครูคงเป็นบ้าตั้งแต่วันแรกที่มาจากเมืองนอกมาอยู่ในป่านี้เนาะนะเนี่ ย, ยถ้าเรามีหิลลี่กันเนี่ยไม่ต้องมีกฎหมายก็ได้มันไม่ทะเลาะกันหรอกมันไม่เอาเปรียบกันหรอกทีนี้เขาต่อด้วยตัวหิลลี่แล้วก็โอตา ป, ปะแปลว่าความเกรงกลัวหมายถึงความสะดุ้งกลัวต่อผลของความชั่ว ต่อผลของทุจริต ท, ที่ทำไว้เป็นอาการของจิตที่หวั่นไหวเมื่อจะทำความชั่วพรกลัวความผิดที่จะตามให้ผลในภายหลังถ้าจิตเราบริสุทธิ์แล้วทุกคนมีตัวนี้มันเป็นสำนึกมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่ตอนนี้มันหายไปไหนมันถูกความรู้ผิดคืออวิชชาเนี่ยครอบงำไว้นะหยาบจนไม่อายใคร นะอยากจนฆ่าพ่อแม่ตัวเองก็เอานะอยากจนผิดศีลผิดธรรมก็เอานะต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้นะเพราะคูเน้นเรื่องนี้บ่อยๆถ้ารู้ตัวอยากตัวเองเนี่ยฝืนมันเะไม่ใช่ไปนสนองมันนะสนองมันแต่ละครั้งเนี่ยก็สร้างกรรมหนักบางทีกรรมไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราเฉพาะตัวนะมันเกิดขึ้นกับองค์กรเกิดขึ้นกับครอบครัว เกิดขึ้นกับสถาบันศาสนาเรามันเป็นกรรมหนักนะยิ่งโดยเฉพาะขึ้นชื่อว่าพวกเราเป็นผู้เดินทางนะเราต้องอยู่ในศีลในธรรมแต่เราเองไปผิดศีลผิดธรรมเองโดยเจตนานะ่อันนี้หนักนะทีนี้เด็กๆตอนนี้เนี่ยเนื่องจากแฟชั่นค่านิยมทำให้เขาแยกไม่ออก คนอื่นเขามีกิ๊กฉันก็มีกิ๊กได้มันฉลาดนะตอนนี้พี่ญาติที่ทำคนหนึ่งแต่งงานไม่นานก่อนจะแต่งงานมาปฏิบัติตอนนั้นก้าวกลัว ๆ, ๆแล้วเพราะมันมั่นแล้วไงไม่รู้กูจะถอนมั่นหรือจะแต่งดีเห็นไหมแต่พออยู่ที่นี่ไม่กี่วันพอกลับไปอยู่ทีนู่มันหลายวันกว่าไงก็แต่งไงแต่งไม่แค่กี่ปีเนี่ยสามีก็ไปมีกิ๊กเขาฉลาดนะ ถ้ามีชู้มันผิดศีลไงถ้ามีกิ๊กไม่เป็นไรมันเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ทุกมากเห็นไหมทุกมากยิ่งขึ้นชื่อว่าพวกเราผูด้เดินทางแล้วเนี่ยเราเป็นผู้รู้เหมือนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เขารักษาก ฎ, กฎ า, า, กากฎหมายเนี่ยเขามีปืนด้วยรักษากฎหมายเขามีอำนาจด้วยเนี่ยถ้าเขาทำผิดเองเนี่ยเขาต้องถูกลงโทษหลายต่อ เหมือนเราเหมือนกันเรารู้แล้วว่าอะไรควรไม่ควรแล้วเรายังไปทําอีกเราต้องถูกลงโทษหลายต่อคนอื่นไม่รู้นะจิตเรารู้นะจิตเราเนี่ยจะลงโทษเราเองไม่ใช่ยมพบาลที่ไหนนะกรรมที่เราบันทึกไว้ในจิตเราเนี่ยมันจะส่งผลนะก็คําถามต่อไปการปฏิบัติสมาธิเวียงนี้เอาเรียกชื่อสมาธิเวียงนี้เป็นการเข้าถึงฌานระดับไหน เป็นการเข้าถึงฌานคำว่าฌานนี่มันเป็นช่วงของสมมถกรรมฐานฌานหนึ่งฌาน2ฌานสามฌานสี่กนเขาเรียกว่าฌานฌานฌานสี่สูงสุดคือเอกะขะตาลมตั้งต่วิตกวิจารปิตสุกเอกะขะตาลมอันนั้นคือต้องฝึกสมถกรรมฐานเพื่อให้มันเกิดพลังสมาธิแล้วก็มันจะเกิดฌานมันก็ก้าวหน้า จนมันถึงฌานสุดท้ายคือเอกคตาลมคือเป็นมีอารมณ์เดียวคือสงบข้ามพ้นอารมณ์สุขด้วยข้ามพ้นอารมณ์ปิติด้วยคือสงบนิ่งไอตัวนี้แหละมันจเจริญมันจะถึงเป็นเครื่องมือในการจเจริญวิปัสสนาได้ไอสมาธิเวียงเนี่ยมันข้ามพ้นเข้าไปในจิตแล้วจิตนี่มันก็อยู่คําว่าฌานเนี่ยมันอยู่ในจิตสํานึกเราอยู่ในจิตปัจจุบัน เข้าไปในฌานของจิตบางคนไปติดสุขในฌานเพราะมันสุขสุขมันปิติมันมีความสุขถ้าอยู่ตรงนั้นนานๆก็แป๊กคําว่าแป๊กก็คือว่ามันมันก็ติดสุขอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่ก้าวหน้ามันก้าวไปสู่วิปัสสนาไม่ได้นะบางทีมันก็คิดอะไรอ๋อถ้ามันสงบเย็นแล้วมันก็ไปคิดอะไรมันก็คิดแตกฌานกว่าคนคนที่เขาไม่ไม่มีสมาธินะ แต่มันก็ยังเป็นนึกเอาจินตนาการเอามไม่ใช่ของแท้ของแท้เนี่ยมันต้องเกิดปัญญาเกิดจากการเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาก็ต้องอาศัยเครื่องมือคือสติปัฏฐานทั้งสี่กายในกายเวทนาในจิตในจิตก็ตเข้าไปเสพธรรมในธรรมธรรมในธรรมนั้นนะ่ะคือกล่องบันทึกโปรแกรมบันทึกสัญญาโปรแกรมในอดีตคือประสบการณ์ของเราเหมือนเราเข้าไปในเว็บไซต์นะอันนี้ก็ตอบว่า มันต้องผ่านชานแต่ของเราเนี่ได้ยินเสียงที่หูมารู้ที่ใจดึงระหว่างหูกับใจปุ๊บมันเกิดแรงเบี่ยงพึ้นนะเหมือนลูกข่างเราหมุนปุ๊บมันก็หมุนหมุนมุนก็นิ่งนั่นแหละตัวนิ่งนั่นคือเอกคตาลมถ้ามันไม่นิ่งขนาดนั้นมันเข้าไปในจิตไม่ได้เห็นหั้ยพอลูกข่างมันหมุนปุ๊บมันนิ่งปุ๊บมันก็หลุดออกมาเห็นไหมไหวนิ่ง เราไม่ได้ทําให้มันนิ่งเลยเราไม่ต้องจับลูกขังมาทําสมาธิแรงเวียงนั้นทําลายสนามแม่เหล็กทําให้มันมีพลังที่เราเจริญฌานคือเราฝึกสมาธิกําลังสมาธิเนี่ยเพราะเราสู้กับอะไรสู้กับความคิดสู้กับอารมณ์ของอายตนะต่างๆใช้เวลานานมากแต่อาศัยพลังฌานเนี่ยกดมันเข้าไปในฌานไม่งั้นเราสู้ความคิดไม่ได้อันนี้ของเราเต้นแรงๆเวี่ยงแรงๆเลี้ยงแรง นะทั้งใช้พลังทุกอย่างเนี่ยส่งให้จิตไปอยู่ในเซ็นเตอร์ไปอยู่ตรงกลางนั่นแหละคือเอกคตาลมนั่นถือว่าเรียกว่าฌานสีก็ได้แล้วก็พอมันตัวนั้นปุ๊บมันก็อิสระดีเข้าไปในจิตในจิตนะพอเข้าไปในจิตในจิตแล้วนเนี่ยไปเสพ ธ, ธรรมในธรรมธรรมอรมก็สั่งร่างกายเราเคลื่อนไหวแต่นี้กายเวทนาจิตทำรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นมหาสติปัฏฐานแล้วก็กําลังจเจริญมหาสติปัฏฐาน แล้วในขณะเดียวกันพโพชงเจตซึ่งแฝงอยู่ในธรรมในธรรมนั้นน่ะมันก็แสดงตัวเห็นไหมมีญาติธรรมมาใหม่คนหนึ่งก็กำลังหมุนแรงๆเนี่ยนะถามว่าถ้าเราไม่มีสติตอนหมุนนั้นเราก็ล้มแล้วแต่ถ้าสติข้างนอกเนี่ยหมุนสามรอบก็เวียนหัวแล้วมันเป็นโลกิยสติแต่เปเด็นนั้นเป็นสติสัมโพชงของจิตเรากาลังเจริญโพชงเจตนะ โฉชงทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาและวิมุตติให้สมบูรณ์นิพผานอยู่ใกล้ๆก็ทำต่อไปนะในขณะที่ปฏิบัติรู้สึกว่าจิตฟุ้งซ่านตลอดเวลาทำอย่างไรดีเวียงทิ้งไม่ใช่เวี่ยงความฟุ้งซ่านนั้นทิ้งเวี่ยงความยึดมั่นถือมั่นที่เราไปสนใจความฟุ้งซ่านนั้นทิ้ง ฟุ้งซ่านก็เรื่องของมันมันไม่ใช่เรื่องของเราเจ็บก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเข้าใจไหมคาว่าเหวี่ยงทิ้งไม่ใช่เหวี่ยงอารมณ์นั้นทิ้งอารมณ์มีไว้ให้เห็นแต่ไม่มีไว้ให้เป็นอย่าไปเป็นมันก็พอและคาว่าเหวี่ยงทิ้งคือเตือนเราว่าอย่าไปติดมันเหวี่ยงความยึดมั่นถือมั่นที่จะเป็นหลงมันทิ้ง จิตเดิมเราเนี่ยเขารู้ดีหมดว่าจิตปัจจุบันชอบอะไรเกียรติอะไรเขาจะสร้างนิมิตต่างๆสร้างอารมณ์บาลังต่าง ๆ, ๆเนี่ยมาสอบจิตปัจจุบันถ้าไม่ตั้งมั่นนิพพานจริงๆแล้วเนี่ยยกตัว อ, อย่างว่าเวียงไปเวียงมาไปเห็นพระพุทธเจ้าบอกฉันบรรลุธรรมแล้วเขาบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเรื่องอะไรจะเวียงทำมะทิ้ง <laughs> เรื่องอะไรจะเวียงน้ำตาไหลปิติมากเลย พออกมารายงานพ่อครูพ่อครูพุทีเจ้าเป็นแบบไหนเหรอนั่นเหมือนพระพุทธรูปเลยบอกเคยเห็นเจ้าชายสิทธัตถะไหมมันหลอกเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เราเห็นไม่จริงมันเป็นอุปทานของจิตเห็นไหมโด น, นตีหัวแล้วไม่ใช่เวี่ยงผู้ทธเจ้าทิ้งไม่ใช่เวี่ยงอารมณ์นั้นทิ้งไม่ใช่เวี่ยงความเจ็บปวดทิ้งที่เราเหวียงมันทิ้งเพราะว่าเรามีความอยากไม่เจ็บนั่นแหละ เราอย่างไม่เจ็บเราลังเจ็บมันมากเจ็บมันเป็นเป้าบินให้เราเห็นไงเออเจ็บก็เจ็บนะฉันไม่เจ็บกว่าเธอหรอกคําว่าเวียงทิ้งคือเวียงความยึดมั่นถือมั่นที่เราจะเป็นหลงอารมณ์นั้นติ้งนะก็ถามว่าจะเกิดอารมณ์ฟุ้งซ่านอะไรถ้าใครปฏิบัติใหม่ๆไม่ฟุ้งซ่านนั่นมาบอกว่าไม่ฟุ้งซ่านเลยเ อ, อสงบสว่างสะอาดบอกโกหก ความคิดมันเกิดขึ้นเป็นปกติเพราะเราเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่เราก็ต้องรับกรรมที่เราเป็นนักคิดมันก็ต้องคิดสิแต่อย่าไปคิดตามมันเท่านั้นเองเห็นไหมอย่าไปคิดตามมันไอ้ตัวนั้นเป็นแค่เข้ามาสอบอรารมณ์เราเราเป็นนักคิดไงมันบอกเนี่ยเรื่องนี้คิดกำลังมันนะสนุกนะเห็นไหมเราก็เผลอไปคิดกับมันไงก็โดนตีหัวเนาะเนี่ยคําว่าเหวี่ยงทิ้งเนี่ยไม่ใช่เป็นลังเกียรอารมณ์ต่างๆเหล่านั้น เวียงความยึดมั่นถือมั่นที่เราจะไปหลงมันทิ้งเตือนเราว่าผ่านผ่านผ่านผ่านส่วนมันยังไม่ผ่านมันยังอยู่ก็ให้มันอยู่เราเราลังเกียบมันอยากให้มันหนีไปเร็วๆพอหนีปุ๊บอารมณ์อื่นก็ขึ้นมาอีกนะก็ปล่อยมันอยู่ตรงนั้นแหละเราก็มีเครื่องมือในการเวียงของเราไงไม่มีของเสียนะทุกอย่างมีประโยชน์หมดนะก็คาตอบก็คือว่าเวียงทิ้งอย่างเดียวบรรลุธรรม เมื่อเราเข้าจิตในจิตได้แล้วกลับไปเห็นอดีตชาติควรแสดงอารมณ์หรือท่าทางตามที่เห็นหรือควรแค่ดูเฉยๆถ้าเราดูเฉยๆนั่นเหมือนเราใช้วิธีกดไว้มหาสติปัฏฐานไม่สมบูรณ์มันเป็นมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็น ว, ศวศิศนาอย่างหนึ่งแล้วเพอเอปุ๊บเนี่เราเราไม่ได้สัมผัส เราเห็นอารมณ์นั้นเฉยๆแต่เราไม่สัมผัสอารมณ์นั้นมันแรงมันเบาแค่ไหนมันต้องแสดงออกทางกายภาพแล้วเราได้กายภาพบำบัดด้วยจเจริญแบบนั้นบรรลุทําได้ไม่ได้ได้เหมือนกันแต่ครูบาอาจารย์ยุคเราเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านหลายรูปหลายองค์เนี่ยพอจิตบรรลุธรรมแต่ร่างกายเป็นอมาพาสอมเพกเพราะไปทรมานสังขารไปแยกกายแยกจิตนะ เราให้มันแสดงด้วยกันนะกายเวทนารวมไปไปด้วยกันจนว่าจิตปัจจุบันก็รู้ว่ามันอะไรได้เกิดขึ้นทีนี้มันก็แสดงให้เราเห็นว่ามันกําลังรักษาร่างกายนี้อยู่ไม่ใช่เราตั้งใจเพื่อจะมารักษาโรคภัยไข้เจ็บนะไม่ต้องรักษาไม่ต้องไปคิดว่าเราอยากทําอะไรแต่จิตเรามันทําเองเพราะจิตเราต้องอาศัยร่างกายนี้นี่คือเครื่องมือเดินทางของเขาแต่ว่าอารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ท่านกติกาลียานที่มัน มันเต้นแล้งเต้นกาอะไรอยู่เนี่ยนะตอนที่มันเต้นปุ๊บบางทีเวทนามก็เกิดขึ้นทันทีเวลานั้นปุ๊บเวทนาอันเดียมันจะเผอไปทุกข์ด้วยแล้วก็เห็นไงเห็นกายมันเคลื่อนไหวเห็นเวทนามันรู้สึกเห็นจิตมันทุกข์นะพอเข้าไปทำอีกอาการนั้นก็เกิดขึ้นอีกเราเห็นกายเวทนาจิตทํารวมเป็นหนึ่งเดียวแต่สักแต่ว่าเห็นแล้วพิจารณาไม่ทันหรอกเพราะมันเร็วมากอันนี้คือสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็น ในสักพักหนึ่งพลังตรงนี้มหาสุะทานเนี่ยเขาจะไปดึงเอาบารมีเก่าที่เราสะสมมาหลายภพหลายชาติมาต่อยอดให้จิตปัจจุบันนะควรแสดงออกอารมณ์ให้มันแสดงออกแต่อยู่ในการควบคุมไม่ใช่แสดงจนวิ่งไปชนเสาวิ่งไปชนคนนั้นคนนี้ใช่ไหมต้องแสดงออกอยู่ภายใต้สติต้องไอตัวแสดงออกนั้นคือตัวปัญญา ตัวสติต้องคุมปัญญาสติปัญญาต้องไปด้วยกันแต่บางสายเจริญสติอย่างเดียวแต่เข้าไม่ถึงปัญญาแต่บางทีพวกเรานี่หลายคนนะไปหลงปัญญาจ น, นลืมสติเห็นมดี๋ยวเดี๋ยวมีข้อหนึ่งเขาเขียนว่ายังไงเเดี๋ยวต่อไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะใช้เวลามากก็ให้มันเคลื่อนไหวแต่ก็ดูเฉ ย, เฉย ดูเฉยเฉยนี่คือดูอย่างเดียวนะไม่ใช่ดูไปด้วยคิดไปด้วยน่ะนีนไม่เฉยนะมันทำสองอย่างแค่สัตวารู้สัตว์เห็นไม่พิจารณาไม่ตัดสินการเข้าจิตในจิตควรเข้าลึกๆหรือไม่ลึกดีผู้เจ้าตัดไว้ว่าบัมพชิตไม่เสียบส่วนสุดตรงสองส่วนระหว่างข้างนอกกับข้างในนะถ้าเข้าลึกโดยไปหลงมันเนี่ยก็คือสุดตรงข้างใน ถ้าอยู่ข้างนอกจะเล่นแ่พอสัมมาสัมมาทานนั่งไปนั่งมาเผลอปุ๊บ ก, ก็ไปคิดออกไปข้างนอกนี่สุดตรงข้างนอกจิตส่งออกคือสมุทยัยผลของการส่งออกคือทุกข์จิตเห็นจิตคือมรรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธนะแต่ต้องเห็นจิตนะแต่ไม่ใช่ไปหลงในอารมณ์ของจิตอารมณ์นั้นมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็น อันนี้ก็พูดก็เข้าใจแต่ไม่เข้าจิตพอถึงเวลามันก็หลงอีกเหมือนเก่าไม่เป็นไรให้มันตีหัวบ่อยๆแต่อย่าหยุดปฏิบัตินะเดี๋ยวมันก็ฉลาดขึ้นอันนี้เราพูดยังไงไม่ใช่ใช้คําสั่งแล้วว่าพราะครูว่าอย่าไปติดมันเหวี่ยงทิ้งนะเราก็จะเบี่ยงทิ้งได้เลยอย่างนั้นก็ง่ายดีเนาะในระหว่างวันรู้สึกเข้าจิตโดยไม่รู้ตัวหลายครั้งที่ทําท่าทางแปลกๆออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ กลัวคนรอบข้างตกใจทําอย่างไรดีก็ทําใจเห็นไหมอันนี้คนใหม่ๆที่เราหลงลอารมณ์ตอนนั้นเหมียมีญาติที่ทำอยู่กรุงเทพนะพอเข้าไปเดินห้างเลยนะไปผิวปากเฉยเลยเพิ่มามือก็ลําอยู่ตรงนั้นแหละนะก็เราไปหลงติดข้างในไงไปสุดตรงข้างในถึงว่าเวอร์ชั่นทั้งสี่เนี่ยเวลาให้อยู่ข้างนอกก็อยู่ข้างนอก ไปถามจิตมันเบื่อมากมันจะหนีข้างในมันจะไปสาสางคดีความมันเลยเน่ะแต่มันก็ลืมว่าชีวิตเรามันต้องอยู่ข้างนอกเวลาสาสางก็าสาสางเวลาทํำหน้าที่เขานอกก็ข้างนอกสิอันนี้ไม่โหลดชั่วโมงไหนก็ช่างฉันไปข้างในอย่างเดียวเลยนี่แหละมันถึงหลุดไงถึงเวลาอยู่ข้างนอกก็ไปแสดงอาการอย่างนั้นแหละเห็นไหมเพราะเราถูกอารมณ์ข้างในเนี่ยมันครอบงํา จิตแทนที่จะเป็นรู้กับมันกลายเป็นท่าของมันอารมณ์นั้นแทนไปมีไว้ให้เห็นแต่เราไปเป็นมันแล้วไงเห็นไหมเราไม่เวียงทิ้งไงนะยังมีนะเดี๋ยวพ่อครูจะเรียกขึ้นมาหน้าหนึ่งนะไอ้นานาจิตตังหรือว่าชั่วโมงไหนก็ช่างนะั้นฉันเข้าไปในจิตอย่างเดียวละ่ะมีบางคนกําลังส่องทางไกาอยู่นะเปิดตาสามนะพ่อครูกระพิจ้าเอเขานะแต่เขายังไม่ตื่นเขาก็ยังส่องอยู่ตรงนั้นแหละ มันไปหลงสภาวะธรรมไงมันเป็นบา ร, รมีจิตเดิมเราฝึกมาเวี่ยงมันทิ้งไม่ใช่ไปหลงมันนะแต่พระครูปล่อยก่อนนะบางทีเออมาใหม่ใม่พ่อครูให้ให้คุ้นเคยกับจิตตรงนั้นก่อนแต่สุดท้ายแล้วเราต้องฝืนมันเวลาไหนควรทำอะไรชีวิตเราจะได้รู้กาละเทศะไม่ใช่จะไปลำได้ไปลำที่ห้างไหมพรุ่งนี้เราเข้าเมืองไปโลตัสมา เดี๋ยวเขาเชิญเราไปโรงพยาบาลโรคจิตเนาะเมื่อปฏิบัติแล้วในระหว่างวันควรทำความกำหนดรู้หรือไม่ไม่ต้องกำหนดรู้เฉยๆรู้ต้องรู้ถ้าไม่รู้พอตักข้าวเข้าไปไม่ใส่ปากใส่จมูกนะเหมันต้องรู้แต่ไม่ต้องยกหนาะเข้าปากน้อเคี้ยวหนออันนั้นมันช้าเกินไป อันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันเด็กๆนะเหมือนเด็กๆมันมันยังเดินไม่เป็นก็ให้ยืนตั้งไข่เดินมาทีละกนะ้าว น, นั้นกำลังฝึกแต่ชีวิตเรานี่ต้องใช้สติใช้สมาธิดำเนินเอาเป็นว่าคำตอบอยู่ที่ต้องอยู่ปัจจุบันขับรถก็อยู่การขับรถกินข้าวก็อยู่การกินข้าวเป็นปกติไม่ต้องกำหนดเห็นไหมที่พ่อครูฝึกตลอดเวลาเนี่ยไม่ต้องเพ่งดูไม่ต้องกาหนด นะไม่ต้องตัดสินก็ปล่อยมันไปตามออโตเมติกไงนะยืนก็ยืนเดินก็เดินนั่งก็นั่งนอนก็นอนเนะี่ยที่เราฝึกป๊บก็อเอาไปใช้ชีวิตประจำวันไงนั่นแหละนั่นแหละคือมรคจิตนะคือมรคภายนอกกับมรคภายในเอาเป็นว่าถ้าเราสะสมยี่ชั่วโมงเราเนี่ยไม่ล่วนนะไม่เกินสามวันเนี่ยระเบิดเลยเหมือนเราเป่าลูกโปง่งเป่าๆกําลัาลางจะระเบิดอะไรนะ แฟแล้วมึงก็เป่าใหม่สิเห็นไหมล่ะเราเผลออยู่เรื่อยไงเผลอแค่วินาทีเดียวนะที่เป่ามาทั้งทั้งวันเลยเนี่ยหายไปหมดเลยต้องมาเป่าใหม่เนี่ยเราไม่สมรวมระวังนะเนี่ยเมื่อปฏิบัติแล้วในระหว่างวันควรกำหนดรู้หรือไม่ไม่ต้องกำหนดแต่รู้เฉยๆต้องรู้รู้ทำอะไรก็รู้ ช่วงปฏิบัติใหม่ๆเหมือนอารมณ์แรงขึ้นมากยิ่งปฏิบัติยิ่งหงุดหงิดง่ายทำให้ดูเหมือนว่ายิ่งปฏิบัติยิ่งแยก่กว่าตอนไม่ปฏิบัติควรทำอย่างไรทำใจบางทีเราปฏิบัติแล้วตอนนั้นเหมือนเราน้ำเนี่ยน้แก้วหนึ่งเรามานั่งเวียงทิ้งเวียงทิ้งมันเหลือครึ่งแก้วใช่ไหม มันเหลือครึ่งแก้วมันจะมีสุญญากาศมันจะมีแรงดูดเข้ามาเขาเรียกว่าทำมาลมเข้าตอนนั้นเราต้องใช้สติคือฝาปิดแต่ถ้าสติเราไม่แข็งแรงพอเจอลูกโตโ ต, ตปึ้งมันก็เปิดมันก็ดูดเข้าไปอีกก็ไม่ได้ผิดแล้วก็รู้หน้ามืดตามัวเลยและสักพักนึงมันก็แข็งแรงพราะเราปฏิบัติเรื่อยตัวสติมันก็ระวังมากขึ้นนะแต่ที่บางครั้งที่ปฏิบัติแล้วไว้าอารมณ์มันมากขึ้นมันเร็วขึ้น มันไม่ได้มากขึ้นเลยแต่เราเห็นมันชัดขึ้นสมัยก่อนมันโกรธเนี่ยเราไม่เห็นหรอกเราโกรธตามมันเลยใช่ไหมดีไม่ดีข้างๆตัวเนี่ยเฟี้ยงไปด้วยแต่ตอนนี้มันโกรธเราเห็นไงไม่ใช่มันมีมากขึ้นแต่เราเห็นมันชัดขึ้นอย่างส้วมอย่งส้วมเนี่ย่้วมบรรนอกเนี่ยเขาเรียกว่าส้วมซึมเป็นขุดหลุมเนี่ยนะพอมันเต็มปุ๊บไม่ใช่ไปกําหนดนะเม็นเหม็นเออช่างมันเถอะ เราก็วางความเหม็นแล้วก็เหม็นเหม็นจากเหม็นมากเหม็นน้อยนะเดี๋ยวเผอพวกก็เหม็นอีกไงแต่ช่วงที่เราเปิดฝาขึ้นมาก็เรากาลังสูบอยู่เห็นไหมกาลังสูบอยู่มันเหม็นมากกว่าเก่าต้องขันตีต้องอดทนไงส่วนมากขันแตกก่อนเรากําลังสะสางอยู่ตอนนี้มันกําลังแปรปรวนนะเหมือนมันตกตะกอนอยู่ดีๆเนี่ยมันก็ยังเหม็นอยู่แต่มันก็เหม็นระดับหนึ่งที่เราไปกาลังขุดมามันก็เหมือนเหม็นมากกว่าเก่า มันไม่ได้มากกว่าเก่านะแต่เราได้ ก, กลิ่นมันชัดขึ้นเราสัมผัสอารมณ์นั้นได้ชัดขึ้นนะ mm hmm. ก็ใช้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้ น, น่ะเป็นครูอีกนั่นแหละก็เวียงทิ้งไม่ใช่เวียงอารมณ์นั้นทิ้งนะเวียงความยึดมั่นที่เราจะไปเป็นอารมณ์นั้นทิ้งก็ต้องฝึกตลอดวันตลอดวันฝึกโดยที่ ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาที่มีอยู่ดําเนินอยู่กับปัจจุบันนะไม่ใช่เอาปฏิบัติแค่ศาลาพอออกศาลาก็วีนอยู่นะที่พ่อครูเคยบอกว่านี่ยกตัวอย่างนะตัวอย่างบางตอนเมื่อกี้เราทําวัดเย็นนะครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นประเพณีนะท่านก็เป็นการเตือนสติให้เราแผ่เมตตาด้วยไงแต่ญาติธรรมบางคนมาเนี่ยเขาติดแผ่เมตตามากพอครูแผ่เมตตาไม่บอกไม่เขาตกใจเลยนะ ใช่ไหมยี่ห้าปีพ่อครูไม่เคยแผ่เมตตาเลยนะเขาก็มองหนะ้าเอ๊ะทำไมห แ, แต่ที่นี่ครูบาอาจารย์เขาสอนเป็นการเตือนสตินะเพื่อเพื่อให้เราอย่าลึกถึงว่าอยากขี้เหนียวนะปฏิบัติธรรมแล้วมีบา ร, รมีแล้วแบ่งปันสรรพสัตว์หน่อยหนึ่งอันนี้มันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเตือนสติบางคนแผ่ตั้งแผ่เพราะอยากได้บุญเยอะๆไงนะตัวเองไม่ได้ทำความดีอะไรเลยแผ่แผ่แผ่แ่แไปสองชั่วโมงเลย โอ้ oh, บุญเยอะมากพอออกไปเขาเหยียบขาหน่อยหนึ่งไปด่าเขาแล้วจะแผ่ไปทําไมเป็นแผ่แค่ลมปากเพราะครูแล้วเพราะครูยี่สิปีเพราะครูไม่ได้แพร่แบบนั้นแต่เพราะครูไม่ได้ปฏิเสธมันเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งเป็นวิธีดีตองเป็นอุบายวิธีนะซึ่งเขาเตือนสติแล้วว่าอย่าลืมแผ่เมตตาอย่าลืมมีเมตตาแผ่เมตตาเอาไซ d e i นะฝึกบ่อยๆเนี่ยเพื่อทําให้เรามีคนเป็นคนมีเมตตาเหมือนเราทานเนี่ยเราทําบุญบ่อยๆเนี่ยนะ ทำให้เรามีความเมตตาจิตเป็นกุศลแต่ไม่ใช่ทำบุญตามบุญนะอันนั้นมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันไม่ใช่บุญอันนี้เหมือนกันแพ่แค่ลมปากฟังเพาะมากเลยเหมือนคนมีเมตตาจริงๆรงแต่ออกไปเนี่ยเขาเหยียบขาหน่อยหนึ่งวีนเลยนะพวกครูไม่พวกครูเมตตาทุกวันนะมันเป็นปกติมันเป็นวิถีนะ เนี่ยทำอย่างไรให้รู้สึกไม่ให้รู้สึกท้อถอยในการปฏิบัติธรรมเพราะดูเหมือนไม่ก้าวหน้าเห็นไหมนี่แหละถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่ก้าวหน้าแล้วเพราะมันแฝงด้วยความอยากจะไปนิพพานด้วยความอยากเนี่ยมันไปไม่ได้ค่ากำไรเกินควรอย่าแกล้งลืมนะสร้างกรรมเข้าไว้เนี่ยไม่รู้กี่ภพกี่ชาติฆ่าเข้ามาไม่รู้กี่ศพปฏิบัต แค่ไม่กี่วันบอกไม่ก้าวหน้าจะก้าวไปไหนเหรอก็เห็นก้าวไปก้าวหนึ่งเผื่อบุก็ถอยไปสองก้าวแล้วมันจะไปก้าวหน้าได้อย่างไรความก้าวหน้าปฏิบัติแล้วต้องนําไปประพฤติประพฤติต้องฝืนกิเลสตัวเองนั่นแหละเราทําแค่ไหนเหรอเนี่ย เวลาเราเรียนหนังสือเราอยากเป็นที่หนึ่งเนี่ยตีสองตีสามก็ไม่นอนอ่านหนังสือสอว่างเรายังยอมทําเลยเห็นไหมเราลงทุนขนาดนี้นอันนี้เมื่อครูพวกครูไม่เคยเห็นเบี่ยงใครเบียงถึงเที่ยงคืนสักคนหนึ่งแล้วจะไปถามหาก้าวหน้าเห็นไหมต้องตั้งมัน่นมีขันติมีศรัทธาในคําสอนพทธเจ้ามันเรื่องง่ายง่ายแต่มันไม่ปล่อยให้เราง่ายเพราะกรรมที่เราสร้างไว้มันก็ดึงเอาไว้อยู่ แต่อย่าไปท้อถอยนะนะคือแค่คำพูดท้อถอยก็เวียงท้อถอยทิ้งเดินต่อไปถ้าเราไม่ก้าวต่อไปเนี่ยแล้วมันจะก้าวหน้าได้อย่างไรใช่ไหมท้อถอยก็หยุดแล้วเบื่อจริงๆตื่นเช้ามาเดินไปก็เจอเสือสิงห์กระทิงแรดเจอแต่ป่าเหมือนเก่าเมื่อไหร่จะจะทะลุ ป, ป่าสักทีหนึ่งแล้วยังไงไม่เดินเหรอรอเสือมันมากินเนาะ นั่นแะต้องเพิ่มศรัทธาให้กับตัวเองแต่ต้องวางความอยากซะอาบน้ําเพราะอาบน้ําไม่ใช่เปื้อนถึงอาบไม่ใช่ร้อนถึงอาบอาบเพราะอาบปฏิบัติเพราะปฏิบัติไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งนั้นสร้างอารมณ์เป็นปกตินะคนในศูนย์บางทีพ่อครูแย่บ้างอะไรบางเพราะว่าไอ้ที่ดีๆก็มีอยู่แล้วไอ้ที่ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ย อย่าไปแป็กก้าวไปอีกแล้วเราจะเป็นแบบอย่างเป็นรุ่นพี่ที่ดีเห็นไหมไอ้ที่เรา ด, ดีดีมีแล้วนะ mm hmm. พอ ก, กูแอบดูนะ mm hmm. ตอนเช้าพอ ก, กูก็แอบดู mm hmm. เดินมาเหมือนศาลามันจะหายนะ mm ่ะ hmm. กลัวมันหายนะ mm hmm. เห็นไหมทุกชั่วโมงเลยนี่คือความตั้งมั่นของเราน mm ่ย hmm. มันดีอยู่แล้วเมื่อดีแล้วเนี่ย ก็ให้มันดีตลอดให้มันดีกว่าเก่าให้มันดีกว่าเก่าอย่าแป๊กข้อสุดท้ายนะจตุปปัตยธรรมเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อกี้เขาคงพูดไปหมดแล้วเนาะปฏิบัติตนอย่างไรฆ่าตัวเองทิ้งซะ ไอ้ตนที่อยากบรรลุธรรมนั่นแหละมันดึงไว้มันก็จะถามหาแล้วเมื่อไหร่จะถึงสักทีเมื่อไหร่จะไม่ก้าวหน้าเลยไอ้ตนนั่นแหละที่มันมีความอยากนั่นแหละอัตตานั่นคือคำตอบสุดท้ายนะกิเลสตัณหาอุปทานนั่นมันเป็นเรื่องเกิดใหม่ในชาตินี้เออกิเลสทำให้เกิดตัณหาตัณหาทห้ดอุปทานอุปท า, านทำให้เกิดทุกข์ ถ้าเรารู้เท่าทันกิเลสมันก็พัฒนาสู่ตัณหาไม่ได้อุปท า, านก็ไม่เกิดเราก็ไม่ทุกข์เราก็แค่ไม่ทุกข์แต่ยังไม่พ้นทุกข์เพราะกล่องอัตตากล่องบันทึกโปรแกรมที่ยึดเกาะกิเลสมันก็ยังอยู่แต่ค่ายังไงพ่อกรูบอกเลยฉันพร้อมแล้วจะไปซื้อปืนมายิงมันคิดเอาเองก็ไม่ได้นะก็ให้มุ่งมั่นเชื่อคําสอนพุทธเจ้า ทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาก็เดินต่อไปสะสมแต้มอย่าใจร้อนมนุษย์เร็วๆนี่มันไม่มีของเล่นนะไม่รู้จะไปเต้นยังไงกับเขานะเพราะครูเหงามากนะจริงๆเห็นพวกเราอิจฉาพวกเราด้วยนะบางทีมันขับรถมากทำงานมากบางทีมันเมื่อยนะักเกยวจับหมุ น, นอะไรมันก็ไม่หมุนไงโอ้อิจฉาพวกเราเยอะเลยเห็นไหม ม่รู้ทำเร็วๆ ว, วุ่นรทำไมเดี๋ยวไม่มีของเล่นเดี๋ยวมันไม่สนุกนะนะก็คำว่าศรัทธาเนี่ยอย่าพอใจที่เรามีอยู่แค่นี้นะต้องสร้างไปเรื่อยๆจนให้มันเต็มรอยมันถึงมันมีรูรั่วถ้าศรัทธาไม่กระทั่งเก้าสิบนะนะไอ้มานกิเลสมาในใจแ้วมันก็ยังรู้มันก็รอดช่องได้ต้องเต็มเลย มันหลอกว่าเธอจะตายแล้วเธอหยุดสิถ้าเธอเวี่ยงนิดนึงใจจะขาดเลยว่ามึงตายเลยมึงตายเลยจะไปอยู่ทําไมให้มันหนักโลกของเขาแต่ถ้าไม่เต็มลอยเนี่ยเฮ้ยมันก็หลอก้อยเลยนะฉันยังไม่นิพานเลยฉันจะไปตายได้ยังไงก็หยุดอีกมันร้ายมากบางคนนั่งรอยลอยลอยจะดูดพ้นแล้วบอกพรอครูบอกให้เปลี่ยนที่นั่งใหม่มีนะ พอลืมตาขึ้นมาพราครูไม่อยู่ร้องไห้เลยใจเรานี่มันสุดยอดนะมันรู้เลยว่าเราชอบอะไรเราเกลียดอะไรเห็นไมถ้าศรัทธาไม่เต็มร้อยแล้วเนี่ยมันรอดช่อง <c oughs> แรกๆพก่อครูบอกอย่าเชื่อใจให้เชื่อจิตนะเพื่อเพื่อให้เรามีกำลังเสือเหนือจิตให้จิตมันอิสระแต่เมื่อเข้าไปในจิตในจิตแล้วเนี่ยไม่ต้องเชื่ออะไรเลยจำไว้ จิตเดิมเขาไม่ได้โกหกเรพื่อจะฆ่าเราหลอกเขาจะโกหกเพื่อจะสอบอารมณ์เราเห็นไหมเจอผู้รู้เจ้าก้าเวี่ยงทิ้งไหมก็เขาบอกแล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเราเห็นแล้วเราบรรลุธรรมแล้วจะเวี่ยงทิ้งได้ยังไงเสร็จเสร็จผู้รู้เจ้าคงมาเล่นขายขนมโคกกับเราอย่างงี้เนาะคําว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเนี่ย เราจะเข้าใจสิ่งผู้เจ้าตัดสรู้สิ่งที่พระองค์จะบอกเราสิ่งที่เราพบเราเห็นนนักับสิ่งที่พระองค์เห็นอีกกี่ล้านปีใครเห็นก็เหมือนกันนั่นแหละเราไม่ลังเลสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงคำสอนพระองค์ทำให้เราพ้นทุกได้จริงนะแต่อยา่าหากำไรเกินควรนะเพิ่มศรัทธาเพิ่มวิริยะ แต่ตัวนี้ก็สำคัญอยู่ขันติหลายคนขันแตกเหมือนเจ้าเจ้านีกำลังหัวเราะอยู่เจ้าเจ้าแคทเนี่ยภานะวนาตัวว่าจะลดให้ถึงห้าสิบกิโลเมื่อเช้านี้รายงานว่าสิบสามกิโลแล้วบอกถ้าขันแตกก่อนพรา ก, กูจะตีหัวให้องค์แตกเลย เห็นไหมเขามาแค่ช่วงช่นสั้นเขาเห็นธรรมแล้วนะเขาเห็นธรรมแล้วเห็นธรรมคือเห็นความจริงไม่ได้ไปว่ารู้มากรู้วิชาการอะไรพวกนี้นะนะอาทิตย์เสาร์ก่อนเนี่ยพ่อครูเชิญนักวิทยาศาสตร์สามท่านคุณหมอเอสโดนก่อนคุณหมอเชอร์รี่แล้วอาจารย์อ้อยขึ้นมาท่านในแง่ทางโลกเขาบอกวก่าพ่อครูไม่มีมารยาท ควรบอกล่วงหน้าก่อนเขาจะได้เตรียมข้อมูลหน่อยหนึ่งมาแสดงความคิดเห็นเพวเาะครูบอกเรื่องอะไรจะบอกล่วงหน้าถ้าบอกแล้วนี่เราจะไม่ได้ฟังความจริงความจริงไม่ต้องเตรียมพูดเมื่อไหร่ก็ได้แคทมาพูดเมื่อไหร่ก็ได้มาวันแรกกี่กิโลเบี่ยงไปกี่วันตอนนี้กี่กิโลและรู้สึกยังไงรู้สึกเบาเบา มีความสุขนี่คือความจริงไงแต่ถ้าเ้าถามบอกว่าเรื่องวิชาการบอกเขาว่าฉันไม่รู้นั่นคือความจริงไงอะไรที่ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ความจริงทำไมจะต้องไปหาข้อมูลมามาซัพพอร์ตไอเดียอันนั้นเป็นแค่ความเห็นไม่ใช่ความจริงความจริงไม่ต้องเตรียมตัวพูดเมื่อไหร่ก็ได้เห็นไม้มแล้วก็พูดความจริงที่มันเกิดขึ้นกับเราไง สิ่งที่พ่อครูเป่งออกมาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดความจริงที่มันเกิดขึ้นจากพก่อครูเอาชีวิตพ่อครูนี่เป็นเดิมพันเลยนะก็มันอะไรมันเปลี่ยนแปลงข้างในเนี่ยเราก็พูดให้ฟังและบางครั้งที่วันวิชาการก็พูดเรื่องวิชาการแปลบาลีเป็นไทยแล้วก็ช่างเออพอเราอ่านพโอ้มันเข้าใจมันก็ตรงกับความจริงที่พ่อครูเจอไม่ต้องแปลยากนะก็มันเป็นความจริงนะพวกเราไม่ต้องกลัวนะการขึ้นเวทีไหนก็ช่างไปพูดความจริงไม่ต้องกลัวเลย เราพูดความจริงที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เรื่องวิชาการไม่ใช่ความเห็นสัหน่อยหนึ่งนะก็ถ้าไม่ใช่ครูบาอาจารย์หรือเราศรัทธาแล้วเพราะครูรู้เลยว่าทางโลกมันไม่มีมารยาทไม่ปล่อยให้โอกาสเราเตรียมตัวทั้งโลกเตรียมตัวไปแสดงความเห็นเท่านั้นมันไม่ใช่ความจริงนะแสดงไปคนนี้ก็มีความเห็นแบบนึงก็ทะเลาะ ก, กันนะฉันเชื่อเธอทันเบือไม่เชื่อฉันแต่เราเมื่อพูดความจริงแล้วเราไม่ได้บังคับให้เขาเชื่อเรา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 โอเคนะจบดีกว่าไม่งั้นมันไม่จบสุดท้ายนี้พระกูก็ขอลาตนาคุณภะษีราตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบา ร, รมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มของใทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทิน